ลำดับขั้นตอนในการเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผนข้อสเข้าประจำที่แบ่งเป็นสองข้อย่อยคือก่ออยู่ในวัดที่เหมาะแก่การเจริญสมาธิความจริงควรอยู่วัดเดียวกับพระอาจารย์แต่ถ้าไม่ผาสุกก็พึงไปหาวัดที่เป็นสัมปายะสาระคือหาสถานที่ที่เหมาะเกื้อกูลแก่การปฏิบัติท่านให้เว้นวัด คือที่อยู่ซึ่งมีโทษ18ประการคือวัดใหญ่เพราะมีพระมากต่างจิตต่างใจเรื่องมากและไม่ค่อยสงบวัดใหม่เพราะต้องพลอยไปยุ่งงานก่อสร้างกับเขาด้วยวัดเก่าจัดเพราะมีเรื่องดูแลมากวัดติดทางเพราะมีอาการตุ ก, กะมาบ่อยวัดมีสหินเพราะคนมาชุมนุมกันมากวัดมีผักวัดมีไม้ดอกวัดมีไม้ผล เพราะคนจะมากันเรื่อยมาเก็บดอกไม้มาขอผลไม้วุ่นวายวัดที่คนเชื่อถือมากว่ามีพระวิเศษเป็นต้นเพราะคนจะมาออกันมากวัดติดเมืองวัดติดป่าไม้ใช้สอยวัดติดที่นาเพราะเป็นถิ่นที่ชาวบ้านทํากิจธุระการงานและหาเหลี้ยงชีพวัดมีคนไม่ถูกกันเพราะต้องยุ่งกับปัญหาวัดติดท่าน้ําท่าบกเพราะคนมากับรถกับเรือ แวะเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ได้สงบวัดถิ่นทางไกลาชายแดนที่คนไม่นับถือพระศาสนาวัดติดพรมแดนเขตแห่งอำนาจระหว่างสองรัฐเพราะอาจเป็นการเสี่ยงภัยแม้แต่ถูกหาว่าเป็นจารบุรุษวัดมีสภาพไม่เป็นสปายะเพราะเป็นที่มีอารมณ์ต่างๆรบกวนมากวัดที่หากัลยาณมิตรไม่ได้ข้อสุดท้ายนี้ชัดอยู่แล้วส่วนวิหาร หรือวัดที่เหมาะสมคือเสนาสนะที่ประกอบด้วยองค์หอันได้แก่ 1. ไม่ไกลนักไม่ใกล้นักไปมาสะดวก 2. กลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนไม่อึกระทึก 3. ปราศจากการรบกวนของเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลาน 4. เมื่อพักอยู่ที่นั้นไม่ขัดสนปัจจัยสี่ 5. มีพระเถระพระหูสูตรซึ่งจะสามารถเข้าไปสอบถามอัตตธรรมะให้ท่านช่วยอธิบายแก้ความสงสัยได้ในบาลีกล่าวถึงคุณสมบัติของตัวผู้ปฏิบัติที่จะบรรลุวิมุตตได้ในเวลาไม่นานไปด้วยว่าประกอบด้วยองคุณห้าประการคือหนึ่งมีศรัทธาในตถาคะตะโพธิ 2. มีสุขภาพดีโรคน้อยไฟธาตุหรือระบบการเผาผลาญพอดี 3. เป็นคนเปิดเผยตัวตามเป็นจริงแด่พระศ า, าสดาและเพื่อนโรมจารีไม่มีมายา 4. มีความเพียรบากบันจริงจัง 5. มีปัญญาที่จะทำแรกกิเลสได้เมื่ออยู่วัดที่เหมาะแก่การเจริญสมาธิแล้วก็มาถึงข้อขอตัดปริโภศเล็กๆน้อยๆคือข้อกังวลเกี่ยวกับร่างกายเครื่องใช้ประจำตัว